เรื่องเนื้อติดคอสมเรื่อง181สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งกําลังฉันอาหารเนื้อติดคอเพื่อนอีกรูปหนึ่งได้ทุบที่คอของภิกษุรูปนั้นเนื้อได้หลุดออกมาพร้อมกับโลหิตท่านถึงแก่มรณภาพภิกษุรูปที่ทุบเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตรปาราชิกหรือหนอจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ ทรงตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์จากฆ่าพระพุทธเจ้าข้าภิกษุเธอไม่มีความประสงค์จากฆ่าไม่ต้องอาบัติวงเล็บเรื่องที่8สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งกําลังฉันอาหารเนื้อติดคอภิกษุอีกรูปหนึ่งมีความประสงค์จากฆ่าจึงได้ทุบที่คอเนื้อหลุดออกมาพร้อมกับโลหิตท่านถึงแก่มรณภาพ ภิกษุรูปที่ทุบเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะฆ่าพระพุทธเจ้าฆาภิกษุเธอต้องอบัติปาราชิกวงเล็บเรื่องที่เก้าสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งกาลังฉันอาหารเนื้อติดคอ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 ภิกษุเธอไม่ต้องอบัดปาราชิกแต่ต้องอบัดิทุนละใจหงเล็บเรื่องที่สิบ